ต่อไปท่านหลายฟังคำนิยายนั่ครู้เลยก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษททั้งหลายจะภาวนาในที่สว่าวันนะี้ส่วนใหญ่เป็นคนได้แล้วทั้งหมดใก้ๆัี่นี้หมดแบบนี้คือแค่เระ่องทีศานาใหญก่อน้วยความที่ารมณ์งที่ศาสนาใหญนี้มีมา พจะราได้ทุกแบบบันนี้เขาเขาจะนำเอาแบบว้าสิทธิภกษบรรยากาศที่น่าวันที่นี้บก็จะเวทขณะข้าเวการมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทดังนั้ว่าให้พิจารณาอยู่เนีเียงว่าบัดนี้ในชีวิตของเรามีอยู่ เมื <accurately S 2> ่อเราเกิดขึ้นมาแรกก็มีความแก่เป็นธรรมดาทำไม่สามารถจะรู้เความแก่ไม่ได้เมื่อชีวิตที่เราทรงอยู่ยังต้อมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะรู้พความป่วยไข้ได้เมื่อชีวิตที่เรามีอยู่รังต้องมีการคัดสรัดแจกจ่ายรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะรู้เพิ่ดา และที่นี่แค่เราเคยเพิ่มมาแล้วมีอยู่ไม่ต้องมีความตายเป็นธรรดาไม่สามารถจะลดเพิ่ความตายไม่ได้เรื่องความยากอธิมหาปฏิเวชนาที่กล่าวมาโดยยอก็เพื่อบรรดาที่านหลายเข้าใจว่าการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนต้องการให้คนทุกคนยอมรับความจริง ต่าตามปกติแล้วคนทุกคนคนใหญ่ไม่ยอมรับความแก่เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาและเราสามารถจะร่วมพ้นความแก่ได้แต่ว่าจิตใจของคนไม่ยอมคิดว่าเราจะแก่เห็นคนหนึ่งเขาแก่เราก็เลยไม่คิดว่าเราจะแก่ ม า, า, าบางท่านบางท่านหรือหลายท่านตัวเองแล้วแก่แลแ้วเป็นเลยยังคิที่าไม่แก่นี่เป็นความประมาทที่พระพุทธเจ้าตรัสวว่าประมาโทมจุนโลกระทงความประมาทเป็นทางให้ความตายที่ที่ว่าตายก็คือตายจากความสุกข์มื่ก็ไปพบกับความเกิปรตใดก็ปานทุกอารมณ์ก็เป็นทุกข์ คนเาเมื่อความเนหน่าวายปวดร่างกายแขงแรงกำลังไหวท่าดีการเคลื่อนไหวก็คล่องแคล่วงไหวสติปัญญาจะใช้อะไรก็คล่องแควทุกอย่างแต่ว่าไม่เปลียมตัวเพื่อแก่ไม่เคยคิดี่ยแก่คิดไปจนลมจะสายดเวลาอันแรกฟางแก่ก็มาถึงตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างัก็เสี่ยนไปหมดร่างกายก็เสี่ยนกำลังก็เปลี่ยม หงุ ก, ก็เสื่อมตายก็เสื่อมจมอง ก, ก็เสื่อมปากก็เสื่อมมันสมองก็เสื่อมทุ่าทุกอย่างบางทีก็ที่หลงที่ห ล, ลนดแล้วก็เป็นทุกข์อะไรมีการเตรียมตัวไว้เสมอที่ว่าเราแก่ลงไปทั้วันวันนี้เห็นคนแก่ที่ล็อกงเงินมากเสื่ามใดก็มีความกัาใจวันเรานี่แหละที่ต้องแก่เท่านั้น ความแก่นี่ก็ต้องมาถึงเรานะ่าจะแก่กว่านี้ก็ได้เตรียมกายเตรียมใจรับความแก่ไว้ถิดว่าความแก่จะต้องเข้ามาจนถึงเราทุกวันมันเป็ของธรรมดาเมื่อแก่เข้าจริงๆเราคิดว่าเป็ธรรมดาเมื่เข้ามาถึงเรแล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงแล้วไม่ฆ่าความตายมันก็มาเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อความตายด้วย นีต่อมาเมื่อเราตระนักรื่ความแก่บางทีคนอายุยังน้อยอยู่ไม่ถึงยี่สิบอย่าคิดว่ายังสาวยังหนุ่มเลยมีแก่ก็ไม่ถูเราเกิดมาหนึ่งวันก็แก่ไปหนึ่งวันเกิดสองวันก็แก่สวันเกิดห้าวันสิบวันเตือนเรงต้องเรียนแก่ด้วยการลำดับทําแม่แก่ไปก็หมายความเดินเข้า้ยหาความตายการลําดับให้คิดไปเสมอว่าทีนี้พวกเราแก่ทุกวัน ขน า, าที่มันยังแก่ไม่มากสิ่งที่มันติดตามมาตั้งแต่วันเกิดก็ ค, คือความป่วยไข้หมดสบายคํำว่าป่วยไข้หมดสบายในร่างกายทาทุกข์เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่อาการป่วยเราคำว่าโรคคัดนึาากเร า, า, า, า, าเกี่ยวแทงครอบมาจากคันบรรดาเราพุกข์าทเกี่ยวแทงแล้วคืออยู่ในที่ของบรรดามีความอบอุ่นมาก อ้ามัหายอย่เกินไปไม่เคยมีเมื่อคลอดจากการมันดาพ้นจากความอกุลอาภพอาการอากาศธรรมดาเข้าเกิดการแตกตัวมีการร้องนี่เี่ว่าการป่วยแท้มันสมายโรคมันที่ไม่ได้ออกจากคันมันดาและต่อมาขณะที่มันเด็กนอนอยู่ก็พบความป่วยตลอดเวลาตัวนี้ทุกหนัก ที่เรกพว่าผู้ยังพูดภาษาพวกเขาไม่ได้สึวนอะไรเขาบอกไขาได้ตอใส่ามันดาเป็นลาดยังแเข้าใจว่าป่วยในเมื่อเราป่วยมีทุกขเวทนาอย่างสาหัสในการเจ็บแต่บอกเขาไม่ได้มาทุกขเวทนามันขึ้นขึ้นขนาดไสแล้ทุกขนาดไหนก็้องจิงจรงต่อมาที่ยอดตระเวนตัดเท่าไรก็ตายทีที่แก่ก็ตายก็ยังมีการป่วยแค่ไม่สบายตามอยู่เปปกติ รวมแล้วที่พุทธเจ่านรงับว่าร่างกายเป็นโรคี่ทางมันจึงด่งของโรคเราก็ต้องคิดว่าการเกิดวันนี้เราต้องป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะโลกเพินความป่วยไข้มันสมายไปได้ในเรื่องความป่วยไข้หไม่สบายมาเกิดเครื่องจิตใจก็ระเบิดร้อนเราทราบดีแล้วว่ามันจะปวดเราทำใจอย่างนี้ ตอนมาถ้าเาาจอกอารพัดใจใจของรักของชอบใจต้องถือว่ามันเรื่องธรรมดาทัา้งใจเลยคิดไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อแก่เราเกิดมาเพื่อป่วยเราเกิดมาเพื่อพัดใจใจของรักของชอบใจทําใจรักชาติทำนี้แม้ต่อไปท้าที่สุดเราก็ถึงความตาย แต่เราเกิดมันแล้วก็จะมีความตายเป็นบรรดาไม่สามารถจะโลภเพื่อความาตายไปได้แต่ความตายเข้ามาถึงเราเรายังเข้ามาไม่ถึงเราต้องซ้อมยอมรับต่อความตายที่มันจะมาถึงลื่นตายขึ้นมาอะไรจนคิดว่าความตายจะไม่มาถึงเราในวันเพ่นี้นี่หมายความความตายอาจจะมีการในวันนี้ในแม่อเราคิดอย่างนี้แล้ก็ระพุทเจา้าจะทำยังไง ผู the the Instead, ้ปฏิจารย์จงรวบรวมนละแนะนำในทางกำลังใจในได้ด้วยความดีถ้าเราคิดว่าการตายไปนี่มันมีทัศนคติดร้อมในการที่ตุกกับทุกข์ทุกข์มาจากความชั่ว์ทุกข์มาจากความดีเราก็เลือกเอาได้จากความดีความดีก็แบ่งเป็นสามขั้นมีเช่นการมาวจรสวรรค์ดีทั้นกลมดีชั้งผ่น อันดับแรกิงเรื่องกิการมาวจรสว่างก่อนมีให้การมาวจรสวรางนี่หมายความต้องมีหินเราอัดาเภสิทอายความทั่วเรงครัวผลความทั่วไว้ทโมที่เพื่อนที่ว่าความทั่วทางกายความชั่วทางวาจาความทั่วใโลกทีจะไม่มีสำนักเราว่นนี้เจ้าครัวความทั่ว ไอความชั่วแค่ตลัวก็ไายัดยั้งความชั่วในระดับที่ไม่ระเบิดชิงห้าจะคิว่าตายได้จะไปบนสวรรค์ได้แ <c oughs> ต่เราต้องการเารีนพรมก็รักษกาลงเป็นตัวความกั่วในทรงตนเพราะท่าจิตเป็นาตายแล้วเกิดเป็นรมแต่ว่าแดนสองแดนนี้ไม่ดีมันดีโชคราวเป็นยุวดาที่เป็นค ร, รมบนตุนรัสนะวรณีก็ ต, ต้องหลงมา แดนที่ดีที่สุดเราจะไม่พบกับความแต่ความเจ็บความป่วยไข่เหล่านั้นใความตายและความเกิดสิได้สิแบนนี้ผ่านอารมณ์ที่เราเข้าใดิลยแดนนี้ผ่านเขาบรรดาเป็นผุ้บริสัทุกทั้นคิ่พิจรณาทางความจริงว่าร่างกายพเรานี้ความจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่ยึดร่างกายร่างกายไม่มีเราไรากายสิ จได้ใจที่จิตเข้ามาเขกาจิตตรงนี้มันเป็นเรื่องยากที่อาศัยตัคราวมันมีการสุดโตรมันปกติไม่ท้าไม่กพังที่ถึงข้าวที่ความตายแล้วก็ต้องใจร่างใจที่เกี่ยวมันด้เพรอาศัยจิเลนจิตฟันตัวของจิตที่รู้เท่าไปถึงกันจิตอยู่ในร่างกายมันเกิดเวลานี้ครพระพุทธเจ้าทรงมีความเป็นสุขตลอดชีวิต ฉะนั้นขออนุญาเจ้าพุทธบริจาอสิ่งที่กาหนดว่าคิ่ที่ว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุนี้เธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมทั้ไปนั่นเยงเ่ามีไดักธรรมหน้าอาการสามอาการโดยเรื่องประกอบซึ่งมันมีความเกิดขึ้นในต้นต้นมีกามแปรปรวนต้องการมีการสลายตัวมันสุดจะไม่มีรดับเราอีกม่ร่างกายนี้สลายตัวอะไรเราไม่ต้องการมันอีก คิดเี่ต้องการคิดมแล้วก็มองตัวเราเห็นว่ามันมีสภาพความทุกข์ัญหาความสุขมันได้แตทุกข์ทกมันมีความตายแต่มนมีตัวองดูร่างกายบุกสมบักมีสภาพเช่นเดียวกันเป็นเด็กเป็นลมเป็นสเป็นแก่กเป็นป่วยแล้วก็เป็นตายไม่มีอะไรเป็นของดีย่อจะไม่ยึดถือร่างายของเราคนดีร่างกายม่โคตกตุก แม้แต่สุขภาพทาั้งหลายเองกดีว่าเป็นานะเป็นที่ขึ้นตลอดการตอดสมัยในที่ว่าร่างกายพวกเราเป็นที่พักของใจโตกาวเมื่อมันทังมาอะไรไมากับเราเรื่องกันเราต้องการสุดที่คือวันตายอารมณนี้จะกำจัดหายเนื่อถ้าทุกคนทําได้คิดได้อย่างนี้นวันหนึ่งตัวสันติสุขพอาตายเมื่อไรก็เป็นไปอย่างนั้น ต่อไปก็ขอพูดสาหรับบรรดาที่พลบไปศักดิ์ที่จะทำไม่ได้ในรับการฝึกาแต่ถ้าท่านหลายที่รับการศึกแล้วทากาลังใจว่าอย่างนี้เป็นปกติจิตใจจะฟองไก่เป็ความสละเป็นแสงสว่างดีมากเป็นการใจผู้ศรัญญาแต่ล้าท่านยงไม่รับการศึกษาสุดยังไม่ได้ปฏิบัติการนี้เวลาให้ใจเข้านึพพานะมะ เวลาให้ใจออกนุกภาพะเร า, าต้องนี้นะเวลาภาวนาเนี่ยเวลาให้ใจเข้านึสตามนนะมะเวลาให้ใจออกนิสตามภะทะแต่ว่าเวลาที่ภาวนาอยู่ประเดีเเย๋ยวท่านญาญิกจะเรหยุดคำแนะนำถ้าหยุดคำแนะนำได้ให้ภาวนาจะเรียบเรียบไปสักสิบห้านาทีหรือสิบนาทีสัเด็ก ตอนที่ภาวนาอยู่ช่งหญาเขงขับลงให้ใจเออกปล่อยลงให้ใจเขาตามสบายอาจิตเขากรัลา่ลงให้ใจเข้าใจออกแล้ภาวนาควคู่กันไปเวลาที่ภาวนาอยู่ช่วงใหญ่อยากเมื нашей, er Меня, ่อยากตอะขัดั Now, ้งน i mean, ี like ้ต <c oughs> ้องการให้จิตมีจ right. ิตมีกำลังในอารมณ์จิตใครมีเสียงคลีเร <antenna> ่มตาคือเวลาที่มีผู้นะนำเข้าไปนะนำตัว แต่กามีคนเขาเข้าไปนั่งคัณนาก็ขอหยุดภาวนาถ้าไม่สนใจเขาสนใจเขาออกรับฟังคำแนะนําของผู้แนะนำผู้แนะนําเขาแนะนําว่ายังไงจะตัดสินใจในการนั้นถ้าว่าถามว่ามีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้านาบางก็เ่้ได้ำถึความรู้สึกคำว่าถามว่าเห็นคําว่าทิกย์กุญยาณอะไรมีความรู้สึกใจไตรป่าชิต ถ้าสมาธิดีก็เห็นสมาธิไม่ดีนัก็ไม่เป็นเป็ความรู้สึกถูกต้องให้เที่ยงความรู้สึกของเราเองเขาก็ถามมาลึกว่าอย่างไงตอบเลยว่าถามมีใครมาอยู่ข้างหน้าไหมความรู้สึกว่ามีก็ตอบว่ามีไม่ต้องยั่งตัวใครว่าถามว่าท่านมาอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ความรู้สึกโลกผู้หญิงผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกตามความรู้สึกเขาถาว่าแต่ตัวที่อะไร เ้าเขารู้สึกว่าเสียวขาวดำแดงแล้วก็อบตามความรู้สึกเาเริรู้สึดดวงแรก็ืยอะไรตอบอย่างนั้นถ้าสมาธิมีรมใจสะอาดเหนาใจามรู้สึกเป็นภาพนู่นเมื่อถามยิ้มยันรอยสองาครั้งก็ถือตอบผูกอารมณ์ใจสส่ตอนนู้นไปก็จำพาไปจนตุลาบนินป็นอันแล้วก็มีพลิตภัณฑ์เป็นผูไปเป็นดับสุดพอตอนี้ไปขอที่ท่านตั้งกายให้ตรงทำลงจิตให้มัน สำหรับผู้ใหม่ตลอรู้ลงใจเขาออกพใจเข้านิพพานะมั่นได้ออเดี๋ยวผ่านทางสำหรับท่านผู้เก่าพวกดวกําลังใจที่เป็นงานพันธาคือร่างกายว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่วเราร่างกายเป็นปัจจัยความทุกข์หายความสุขไม่ได้เราไม่ต้องการที่ถ้าร่างกายนี้ทังมาไรเขอปัผานหลังจากนั้นก็จะรู้ไปถึงโอสถทุกสมมาท่เจ้าจะจรงจังใจ ท่านจะนั่งอยู่แล้วท่องเชี่ยวไปแต่พุทธองค์ตายเข า, า, าตายตามบรรดาสายผู้ปัจจัยขอทุก่านเลื่ษษ <c oughs> อนเป็นปัจจัยลำดับตอนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจตังคาลิบายสักคู่หนึ่ง สำหรับการเจริญสรมมาานในพระพุทธศาสนาอันนี้มีอยู่สองแบบคือสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนารับสมถะภาวนานี่เป็นองคบายที่สงบใจมีวิปัสนาภาวนาเป็นองค์บายตัดกิเลสที่เป็นตัสปิดสมถันคือเกิดปัญญาในการปฏิบัติวันนี้ก็ปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสนา ในด้านสมนาธิบรรดาถึงพุทธบริษัทจะปฏิบัติในวันนี้ก็ได้แก่การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกับภาวนาือกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าลึกกว่านะมะเวลาให้ใจออก น, น, นุนออกวะภาะสําหรับลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกที่เรียกว่าสมาธิเป็นล น, นบายเพื่อสงบใจพือภาวนาฝารู้สติสมาทาน ให้ใจเข้าเรารู้อยู่วห้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นเรรู้อยู่อย่างนี้ใช้จิตเรายังรู้ลงให้ใจเข้าใจออกตามปกติคือว่าจิตมีสมาธิเพื่อยังไม่เกิดปัญญาตั้งแต่ตัวภาวนาคำภาวนาใช้คำภาวนาวันนะมะปะะ น้ำมาภาธาที enrolled, ่ในหลักมังก็มาทางจิตถ้าเรียกว่าจะุูธาตุสายคือธาตุจิตได้แต่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแต่วันนี้ไม่ใช่ในด้านมโนยิทธิคือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาก็จัดว่าเป็นคําพวนาให้จิตเป็นจิตรับได้รับผลต่างกันให้คนผลก็ําแบบคือทามโนย่างเดียวกันแล้วไม่ใช่เป็นผลต่างกัน ถ้าใช้คบภาวนาว่นัมมาภะทะได้ด้านจะทุธาประธานสิ่งจะธาตุสิท่านให้พิจรนาว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์เป็นภาตุสิ่งาตน้ำธาตุดินธาตุลมตัดไปแต่ว่าถ้าอยากใช้ในด้านมนมโนนิธีนี้ไม่คํานึ่งถึงคําว่าธาตุสิ่งคืออะไรคือว่านัมมาภะทะคืออะไรต้องการอย่างเดียวให้จิตมีกําลังเป็นทุกขจากคํภาวนาเท่านั้น จะดันผลอย่างนี้จะเรียกว่าธาตุสีก็ไม่ผูกเป็นการทําภาวนาตัวยอดหรือหัวใจของธาตุสีแต่มไไ่ได้ใช้ผลแล้วได้ธาตุสีใช้ผลแลด้พิสุิ์ทุกอยางอันนี้ก็ยจะเป็นสมถะภาวนาไอนี่ปัสศนาภาวนามีตรงไหนก็มีตรงนี้ตรงที่ทุกคนมีคนมีความรูม้สึกรู้จักคันฆ่า ได้แย่รูปเวทนาสัญญาสังขารนิยานว่าตามภาษาลัทือแต่ว่าตามภาษาลิบิต์เขาเรียกร่างกายพวกเราร่างกายพวกเราก็ดีร่างกายพวกก็คนอื่นก็ดีร่างกายพวกใส่ก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น และจะมีความแก่ต be, ิดตามมาเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะลดพ้นความแก่ไปได้มีความป่วยไข้เป็นเป็นธรรมดาไม่สามารถจะลดพ้นความป่วยไข้เป็นสบายไปได้และต้องพัดพลาดใจของรักของครอบใจเป็ธรรมดาไม่สามารถจะลดพ้นไได้และก็จะต้องมีความตายเป็นอันดีสุดไม่สามารถจะลดค้นไได้ ที่รพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ไม่ได้บอกให้ว่าตามแบบโกแบบโก้วนกเป็นทองแต่พระพุทธเจ้าให้ใช้อารมณ์คิดให้ปัญญาก็ไ อ, อ้ ก, การที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าต้องพบกับความแก่เป็นธรรมดาไ ม, ม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้มันจริงไหมมีใครบ้างไหมที่เกิดมาแล้วจะไม่ยอมแก่เด็กก็ไม่ยอมเป็น คนแก่ก็ไม่ยอมแก่ฉันจะอยู่ในฐานะนความนหลงในสาวตลอดเวลามันจะได้ไหม <c oughs> ถ้าถามทุกคนก็ตอบว่าไม่ได้ในเมื่อมันไม่ได้เราก็ต้องทราบว่าขึ้นขี้ว่าความแก่ที่เราหนีไม่พ้นเราไม่ชอบแก่มันก็ต้องแก่เราหวังจัดจำน่ายจะแก่มันก็แก่ไม่ต้องการก็แก่เราเกิดมาต้องแก่แน่นอนโดยการีสาง เราจะต้องพบไฮไฮกับโรคไข้ไส้เจ็บมาเบียดเตียงอยู่เสมอกายเกิดมาแล้วนี่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปป่วยไข้ไม่สบายแจะเป็นไปไม่ได้หมอก็ป่วยและครูหมอก็ ป, กอก ป, ป่วยปู่หมอย่าหมอป่วยหมดถ้าป่วยเหมือนกันหมดที่ที่ว่าร่านกายเป็นโรคในทางมันเป็นรังคโรคเป็นของธรรมดา เราเกิดมาแล้วส่สิ่งที่จะได้รับคือความปลวป่วยกายและป่วยใจและข้อดิบต่อไปเราจะต้องมีการทัดท่าเจ่ของรักของชอบใจเป็นของธรรมดาไม่มีใครสามารถจะหลีกหนีคนพ่ อ, อแม่เป็นที่รักรักท่านมากไม่อยากให้ท่านจากไปแต่ถึงวาระก็ต้องจาก สามีพัญญาเป็นที่รักมาถึงวาระก็ต้องแจกกันภริณาเป็นที่รักถึงวาระก็ต้องแจกกันคนเลสัตว์ที่เป็นที่รักมาถึงวาระมันจะต้องตายการโกนตุกกรรมเบียดเพียนต้องคั้าแจกกันมันต้องมีแน่นอนเราจะกระทำบครองใครหรืรรอรจะรกระทำบุคลของเราให้อยู่ตลอดการโดยสมัยนั้นเป็นไปไม่ได้ผลิตผลธรรมดา รวมความว่าเกิดมาี่เกิดมาเพื่อการพัดพลาดแจกของรักของชอบใจไล่เถี้ยนเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อป่วยเกิดมาเพื่อพัดพลาดแจกของรักของชอบใจแล้วในที่สุดก็เกิดเพื่อตายอรมทั้งห้าเจตการนี้คือจตั้งรต่เราเริ่มต้นเราเกิดที่ต้น จนถึงตายพวกท่านยอมรับกสมว่ามันเป็นการจริงเห็นได้ไหมว่าเราเกิดมันนี่เราเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อป่วยเกิดมาเพื่อพัดใต้ใจขอและขอจับใจเกิดเกิดตายถ้าเห็นถือว่าตัวนี้เป็นวิปัสนาญาณถ้าคิดไม่เห็นความเป็นธรรจะว่าทำฟังไปก็ถือว่าเป็นปัญญาญาณ แค่จำตนเองมาด้คิดเรื่องความว่าตัวนี้ถ้ารเราเห็นจริงๆว่าเกิดเนี่ยเกิดมาเพื่อแก่ไอ้แก่นี่ใครเขาก็ไม่อยากจะได้เราเองเราก็ไม่อยากแก่แต่แล้วจะมามอบเลนไปเกินขาดให้ใครใครเขาก็ไม่อยากจะเอาแลไมไม้แวทําไมมันถึงแก่เรื่องความปรากฏของกรรมเนื่องการเกี่ยวเป็นผิดทำให้เราแก่ มีความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่กันการทักทายอย่ขอรักขอตอบใจก้งไม่กันความตายเหมือนกันไม่มีใครต้องการแต่ว่าเราก็หนีไม่ได้เมื่อมันหนีไม่พ้นเลอมันเกิดตอนนี้ไอกแดนไหนบ้างล่ะที่มันเกิดแล้วมันไม่ตายเกิดแล้วไม่แก่เกิดแล้วไม่ป่วยไข้ไม่สบาย มีอะไรไว้มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีผัวมีเมียมีลูกมีเจ้ามีทรัพย์สมบัติมันไม่มีการทัดทาแยแกกันอยู่วันตลอดการตลอดสมัยด้งหาความตายเข้าไปโด้วยความทุกข์เพลิงก็มีความตายก็ไม่มีความทุกข์ใดๆอย่างในโลกมนุษยุกข์นี่ไม่มีเลยมันมีที่ไหที่ไม่มีก็ที่นิพพานมีจุดเดียวคือนิพพาน ในเมื่อว่าเราทราบวันแดนนั้นะเป็นแดนที่เต็มไปด้วยความสุขไม่มีแก่ไม่มีป่วยไม่มีการทุกข์ทส้็บของแักขอชกใจไป่มีตายเราอยากจะไปนิพพานไหมถ้าเราอยากจะไปนิพพานก็ไป็ขอไม่ยากทิจรณาว่าขึ้นชื่อว่าความคืน มันมีอยู่เราก็ต้องมีความแปรความค่วยการพักใต้แจกของนักของนใจความตายเมื่อมันมเป็นอย่างนี้ต่อไปเราก็ไม่ปรารถนาความเกิดการไม่ปรารถนาความเกิดสําหรับคนที่นั่งอยู่ที่นี่ตรงแบ่ ง, งละละเป็นสองละลอกเป็นสองชุดชุดที่ปฏิบัติได้แล้วมีความคล่องแควท่อเกี่ยวเจอวันสมมติโลกนี้การนรกเป็นสุนทรียได้อย่างดี ถ้ารวบรวมกำลังใจคิดว่าเห็นตามความเป็นจริงขึ้นที่ว่าร่างกายด้วความจริงมาเป็นภาวะเต็มในฟ้าสุกตกไปตรงตัวเป็นกายที่เลวที่สุที่กิดเพื่อทิศมารกายของเราใส่เมื่อแท้ที่สมารกายด้วยกายที่ของเราสวยประทับยามกว่ามากเราก็คิดว่าขึ้นที่ว่ากายเนื้อที่เรามองเห็นว่านี่ เต็มได้การสันสองถ้าเต็มเรียนนเลือดทำเลืองน้ำหนองจาระปัสวะมีการทุกข์ทมันขอธรรมดาเราไม่ต้องการมันอีกเราก็มีความผุกพันอย่างเดียวคือทิศมาในกายตัวกายคิดกายพิกายชั้นไหลการใช้สวรรค์เรื่องเราไม่ต้องการกายชั้นโมเรื่องไม่ต้องการอย่างอยากอยู่เราต้องการชัิพผานนี้ธรืมนิชย์เรื่องเรื่องกายพ่าน ก็ตัดีินใจมองเห็นเราดูเวลามองเห็นขึ้นชื่อวมนุษยระดับเต็มเกินไม่ยังนี้เราไม่ต้องการความไม่ได้เวลาเราพบสุขเพียงรสุขไ ม, ม่นานเราไม่ภาสนาจิตเรากลับภนาจุดเดียวคือนิพพานพยายามจัดพระรูปไป็นของพะค์สมเด็จตุมาพุทธเจ้าไว้เป็นปกติวันเคยมีเวลาว่างวันหนึ่งคนขึ้นไปเที่ยวนิพพานสองสามครั้ง ขึ้นไปล่คันใจอธิบายที่ว่าถ้าคันถ้าพังเมื่อไร่ขออยู่ดีถ้าเป็นได้อย่างนี้จะผลตายเมื่อไรผนิพพานมันนั้นนี้สําหรับบรรดาเจ้าผู้ประกอบการที่สิดใหม่สมายยามสมัยจะสุดให้รวบรวมกําลังใจว่าในเมื่อการเกิดมันทุกอย่างนี้เกิดแล้วต้องแก่เกิดแล้วจะโวยใขรไม่สบาย เกิดแล้วต้องพัฒนาเจริญพรและขอจใจเกิดแล้วต้องตา ย, ใจใจายเราไม่ต้องการความเกิดอีวันนี้เราจะหากําลังนี้ความเกิดด้วยด้วยความเป็นคิดของจิตหลังจากนั้นมาก็คิดว่าเราจะรู้ลมให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้าตั้งใจรู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกตามโดยอ น, นะมั ห้ใจออกาานึกตามาผ่าทะการรู้ ล, ลให้ใจเข้าใ้ออกธรรมจิตเป็นสมาธิคำพ่วนาธรา ร, มรมจิตมีอารมณ์เป็นิอีกว่าเดียวหนึ่งก็จะหยุดพูดไม่หยุดพูดรับลอยภาวนาในห้เงียบตั้งใจภาวนาไว้แต่ไม่ต้องทำจิตให้มันเคลื่อนเกินไปลอยใจยสบายถ้าเคลื่อนเกินไปไม่มีหวังได้ํำลงเลยกดี ต้องปล่อยลมห า, า, า, า, ายใจไปตามปกติหูดีเสียงเขารอบปกติท่านจิตธรรมดาธรรดาเวลาใจเข้านีกกวรมะมาแล้ใจออกเราผ่าตาเอาแค่นี้นะแต่เวลาที่ภาวนาอ ย, ยู่มันอาจจะจิตจะคิดอย่างอื่นได้บ้างแกขมก็ได้แค่ไม่รู้ตัวอะไรก็ ด, ก ด, กดึงกลับกลับจลับลงลมหาใจใหม่ใจเข้านึกวะมาใจออกเราผาตะสําหับท่านได้มาฝึกใหม่ถ้าดึงสอย่างดังคลิ ยาเพิ่งเรียนตายเป็นเวลาที่มีผู้ครูผู้บุตรจะเข้าสึกถ้าครูผู้บุตรเขาแนะนําว่ายังไงตอนื่อเขาเขาไม่ดั่งขณาแล้วเลิกกอนานะถ้าครูผู้บุตรเขาไม่ดั่งหน้าแก็เลิกกอนาเสียและก็ไม่สนใจสรุปใจก็ออกตั้งใจฟังท่านนั้นหลังของเขาเมื่อเขาแนะนําว่ายังไงก็ตัดสินใจในการนั้นถ้าเราถามว่าเวลานี้เห็นท่านบนใดมาอยู่ตําหนาบ้าง มีความรู้สึกแสดงความรู้สึกว่ามีมีความรู้สึกว่ามีท่านบุด้มีอยู่ตั้งนานไปเราก็ปฏิบัติตามใจนี้ถ้าจิตมันนิดกลัวมีตอบมีเลยอย่าท่านอย่างตัวถ้าว่าถามว่าเป็นผู้หญิงหรืายเจาจิตเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างผู้หญิงหรือายก็ตอบประจำนั้นเข้าถาเสื้อแดงตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกถ้าท่านตอบตามความรู้สึกตัดตัวตรงใส่ออก เวลาตอบไปต้องกลัวิดเพราะว่าคิดทื่อารมณ์เป็นคิดแหวเป็นสมาธิมีใจเป็นคิดตอบกลัทุกอย่างถ้าสมาธิท่านต่ำก็มองไม่เห็นสภาวามันผิดมันรู้ถ้าเอาสมาธิดีขนาดกลางจิตรู้แต่ก็เห็นภาพฌานจิตตัง้บบงพอสมควรยังไม่กรนะจางนักถ้าจิตสะอาดจริงๆฌานดีจริงๆก็เห็นเหมือนกับเวลาเด็กหนายแจ่มแ ระเบนดาชนพุทธบริษัทตอนนี้ไปขอทุกท่านต่างกายให้ตรงดำลองจิตให้มั่นหลักพันผู้เก่าแล้วไข้คงเสมอไม่ว่าเราไม่เมื่อเราเกิดขึ้นต้องพบกับความแต่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะรวมคนความแต่ไปได้พบกับความป่วยไข้ไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาไม่สามารถจะรวมคนความป่วยไข้ไม่เคลื่อนไปได้จะต้องทัดกล้าจากของและขอนชอบใจไม่สามารถจะร่วมไปได้ด้วนกัน และก็จะต้องตายในสุดและเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอุบัติเร่างกายเป็นเด็กให้ร่างกายประเภทนี้มันไม่ดีจะต้องไม่มีสระดับเราเมื่อมันขึ้นลมการมาเลยนั่นแหละเราต้องทำให้เราต้องการสีริพันแล้วก็รวบรวมกําลังใจความคิดและอาจต่อสายทำให้เศ้าโศกต้องไปประจานใจพระผู้มีพระ้าคเจ้าที่สร้างขึ้นมา สำหรับท่านผู้มาใหม่ให้ใจเข้านิพพานะมาใจะออกเรื่องพระสาวแค่นี้นะนั่นต่อเ น, นื่องไปขอทุกท่านเดินปฏิบัติไน